บรรยายพระวินัยนักธรรมชั้นตรีมวนที่สิบสองโดยพระอาจารย์บุญมีจันทถูกโมงวันนี้ครับเพื่อนสาธรมนริสสุๆรูปที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นตรีวันนี้เราก็มาศึกษาในอาจรละกวาดที่ห้าอาจรละกวตดที่ห้านี้ก็มีสิทิข้าบทเราต้องกำหนดท่อง แต่ละศิกะบทแต่ริศขาบทาบ ท, ทั้งศิษยนี้ให้ได้แม่นยำให้ขึ้นใจนะศิษยิาบทนั้นก็คือเดินพิสุให้ของเคี้ยวของฉันแกนักบวชนอกศาสนาด้วยมือของตนต้องป่าจิตตี 2. องพิสุชวนภิสุอื่นไปเที่ยวบิณฑ บ, บาตด้วยกันหวังจะประพฤติอาจารย์ไล่เธอกลับมาเสียต้องป่าจิตตี สามที่สุดตําเหื่งการนั่งแท็กแีงในสกุลที่กําลังบริโภคอาหารอยู่ต้องป่าจิตตีสี่ที่สุดนั่งอยู่ในห้องกับหญิงไม่มีชายอยู่เป็นเพื่อนต้องป่าจิตตีห้าที่สุดนั่งในที่แจ้งกับผู้หญิงสองต่อสองต้องปาจิตตีหกที่สุดรับนืมนตเรื่องโภชนะทั้งห้าแล้วจะไปในที่อื่นจากคืนนิมนต์นั้นในเวลาก่อนฉันก็ดี อาฉันกลับมาแล้วก็วดีต้องราพิจุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยงไปต้องปาจิตติเล่นไว้แต่สมัยคือกีวนการและเวลาทํากีวรเจ็ด <c oughs> ถ้าเขาไปวารนาด้วยปัจจัยสี่เพียงสี่เดือนอาพิขอเขาได้เพียงกาหนดนั้นเท่านั้น ถ้าขอให้เกินกว่ากำหนดนั้นไปต้องปาจิตติเว้นไว้แต่เขาประวารณาอีกหรือประวารณาเป็นนิดแต่ถือไปดูกระเมืองทัพที่เขายกไปเพื่อจะรบ ก, กันต้องปาจิตติเว้นไว้แต่มีเหตุก็ถ้าเหตุที่จะต้องไปมีอยู่คึงไปอยู่ได้ในกองทัพเพียงสามวัน ถ้าอยู่ให้เกินกว่ากำหนดนั้นต้องป่าชิตตีแล้วสิในเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้นถ้าไปดูเผ่ารบกันก็ดีหรือดูเขาตรวจฝนก็ดีดูเขาจัดกระบวนทัพก็ดีดูเหือเสนาที่จัดเป็นกระบวนทัพก็ดีต้องป่าชิตตีนี้สิขิขาบทด้วยกันนะต้องท้องให้ขึ้นใจ ดังที่กล่าวแล้วทีนี้เอในแต่ละสิกขาบทต่อก็มาเรียนโดยอะละเอียดและก็อธิบายแต่ละสิกขาบทว่าเป็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่สิกขาบทที่หนึ่งเป็นสิกขาบทที่หนึ่งที่ว่าพิสูจให้ของเที่ยวของฉันแก่นักบวชนอกศาสนาด้วยมือของตนต้องไปจิตตีทีนันกเบียบนอกศาสนา อ่าที่กล่าวในสิกขาบทนี้นั้นท่านหมายเอาเอานักบวชนอกศาสนาที่โชกเจริญรกะก็คือโชกอเจรกะคือชีดเบลยหนึ่งแหกะปริภาโชคเคยลอกบวชผู้ชายนอกศาสนาปริภาชิกาลอกบวชผู้หญิงนอกศาสนาอันนี้รวมได้ว่านักบวชนอกศาสนาซึ่ง อ, อมีอยู่ในครั้งพุทธกาลตัว น, นักบวนอนักศาสนาพุซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนั้นจะจัดเข้าในข้อนี้หรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจนารณาดู เ, เพราะว่าในในสถาาบทนั้นท่านพูดถึงชีเปลยด้วยคือนักบวชที่ไม่ลุ่งผ้าเช่นพวกนักบวชพวกเชนอย่างนี้ศาสนาเชนมุ่ยกายทีคําพร ซึ่งไม่นุ่งผ้าถือปัจจสามพวกเราถือปัจใจสี่แต่เขาถือปัจจสามถือเฉพาะอ า, อาหารที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรคส่วนผ้าไม่ถือซึ่งเา่าหวาเปลือยกายนะไม่นุ่งผ้าอันนี้เป็นกล่าวไว้ในในสิขาบทนี้ความมุ่งหมายแห่งสิขาบทนี้ก็ทรงวันหยัด เพื่อไม่ให้เขาเดิเหมินได้เพราะที่สุให้ของเคี้ยวของฉันด้วยมื อ, อของตนเนี่ยชื่อว่าวางตเป็นอะไรกับสัมบัณฑ์แก่นักบวชเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นอจึงถ้าหากว่าสั่งให้ก็ดีหรือวางให้ก็ดีเนี่ยให้ของอย่างอืน่นนอกจากของอันจะเพิ่งเกินกินท่านว่าไม่เป็นอบาปนะนักบวชนอกศาสนานี้ อันนี้ก็ต้องพิจารณาตามสมควรจะให้ก็ต้องสั่งให้คนอื่นเขาให้หรือไม่ก็วางให้ได้อยู่หรือให้ของอื่นซึ่งไม่ใช่ของเกินกินท่านก็บอกว่าไม่เป็นอบักเหมือนกันนะก็ต้องดูพอสมควรว่าควรจะให้กันอย่างไรจึงจะไม่เกิดโทษเขาจึงจะไม่ดูหมิ่นเราต่อไปสี่ขาบทที่สองว่า ที่สื่อชวนที่สื่ออื่นไปเที่ยบินธบาติด้วยกันหวังจะประพฤตอนาจารอาไล่เธอกลับมาเสียอไล่เธอกลับมาเสียอย่างนี้อต้องปาจิตติเป็นอบัตปาจิตติถ้าไล่เธอไล่กลับมาเป็นปาจิตติคําคว่าประพฤติอนาจารนี้เคยได้อพูดถึง ในเรื่องของภูตข่ามาวะตรที่ว่าพระภูตประพฤิษอานาจารนะสงเรียกตัวมาถามกลับพูดกลบเกลื่อนหรือไม่เสียไม่พูดอย่างนี้ก็ให้สงสวดประกาศถ้าสวดประกาศข้อความนั้นจบก็ต้องป่าจตีคําว่าประพิษอานาจาร์ในที่นั้นก็คงจะพอเข้าใจว่าประพิษอย่างไร เรียกว่าประพฤติอนาจาร อ, อก็คือการประพฤติไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการเป็นสมณนะเรียกว่าประพฤติไม่ดีไม่งามนะไม่เหมาะสมแก่การเป็นสมณนะเล่นเล่นปูยี่ปูยำเล่นการพ น, นันต่างๆเล่นขนองต่างๆให้เป็นการพุติอนาจารถ้าหากว่า หรือจะไปซืกซื้อกับผู้ใดใครที่หนึ่งก็ชื่อว่าเกณฑ์การประเภทอาจารย์เหมือนกันถ้าหามีความคิดอย่างนั้นแล้วก็ชวนที่สี่ไปบินธบาตแลต้วก็ไล่ให้กลับมาอันนี้เป็นป่าจิตตีนะท่านบอกว่าที่ไม่เป็นอมาตย์ใสิขาบทนี้ก็เช่นนี้หนเหตุอืน่นอนอกจากจะเป็นบางความชั่วเสียหายแก่ต น, นเตองเช่ น, เนบาทของที่สีเต็มแล้วนะตอนนี้อามาตยบาทท่องตันเต็มแล้วบอกให้กลับมาก่อนอันนี้ไม่เป็นอามาตยอะไร นหะหรือว่าได้รับบาดเจ็บอันสรายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไปเหยียบอะไรเข้าเดินไปไม่ไหวเดียก็ให้ท่านกลับก่อนก็ไม่เป็นอะไรนะบาด ท, ท่านเต็มกลับก่อนก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นอะไรเลยบาดก็ยังไม่เต็มแต่คิดจากพระพุทธอนาจารย์อย่างใดอย่างหนึ่งข้างหน้าตัวพระที่ไปด้วยจะเห็นจะรู้ก็เลยให้กลับมาก่อนอย่างนี้เป็นเป็นปาจิตตีนะเป็นปาจิตตี รับอบัตแก่ที่สุนั้นต่อไปสื่าข้าบที่อนที่ท 3. สามความว่าทีุ่สําเร็จการนั่งแทรกแสงในสกุลที่เขากำลังบริโภคอาหารอยู่ต้องป่าเจตีเอ่อบริโภคอาหารอยู่นี่ก็หมายว่าคาหัสคาววาทที่เขากำลังบริโภคอาหารอยู่ภิกสุเข้าไปนั่งแทรกแสงในขณะที่เขากำลังบริโภคอาหาร อันนี้เป็นการไม่ดีไม่งามท่านบอกว่าเป็นการเข้าไปหาสจกุลที่เขากําลังบริโภคอาหารอยู่ซึ่งเป็นการเสียมารยาบบทจนบัญาัติกิขาบทนี้ขึ้นเพื่อกันความเสียหายเช่นนั้นอันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าในขณะที่กําลังบริโภคพระขึ้นไปเขาก็ต้องหยุดอบริโภคหรือเขาก็จะต้องมาต้อนรับหรือเขาก็ต้องมีความเกรงใจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการไม่สมควร เป็นการเสียมารยาทฉะนั้นในขณะที่เขากำลังบริโภคอาหารก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปแทรกแซงในสบุลของเขาในบ้านของเขาต่อไปสีขาวบทที่สี่ว่าพี่สีนั่นในห้องกับผู้หญิงไม่มีชายอยู่เป็นเพื่อนต้องปฏิเสธอันนี้ก็ได้เคยศึกษามาแล้วในข้ออนยัยยบ นะเรื่อเกี่ยวกับนั่งในที่รับตาในากับหญิงสองต่อสองซึ่งในนั้นได้บอกไว้ไม่แน่นอนในการปรับอับัตแต่อันนี้บอกไว้แน่นอนในว่านั่งในที่ผู้อนุที่รับเคยในห้องกับผู้หญิงไม่รู้ผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนเลยเป็นปาจิตติกิริยาที่นั่งในที่รับนีก้ก็หมายเอาตลอดจนกิริยาที่หลอนด้วย นะที่นอนด้วยที่รับก็ไ ม, มยเอาที่รับตาคือในห้องนะตัวต่อตัวนะตัวต่อตัวอย่างนี้เป็นที่กันมาว่าถ้านั่งในห้องเรียนกับหญิงมากคนก็มีผู้ชายอยู่คือรีดเรื่องสายอยู่เรื่ยหญิงไม่มากคุ้มอบับดับไม่ได้แล้วถ้าเราม่มีผู้ชา ย, ยอยู่เรื่อยจรีดเรื่องสายไม่เป็นไรแต่ที่ไม่มีเลยนี่จะผู้หญิง อ่าไม่เป็นผู้หญิงอยู่ในห้องอา่าไม่มีคำว่าสองต่อสองในคิทาบทนี้นะเท่ากับไม่มีคิทาจะเป็นเพื่อนแต่นั้นก็หมายถึงผู้หญิงเอ่อหลายคนแต่ผู้หญิงหลายคนก็ต้องอับัตนะเพราะเราอยู่ในห้องบอกแล้วว่าผู้หญิงคุ้มอับัตไม่ได้น่ะคุ้มอับัตไม่ได้ฉะนั้นก็การอยู่ในห้องกับผู้หญิงนั้นจึงเป็นการไม่ดีแม้จะมีหลายคนก็ตามก็จึงไม่ควรทั้งนั้นแหนละ นะแต่ถ้ามีผู้หญิงออถ้ามีผู้ชายมีเด็กที่จะพอให้เป็นเพื่อนได้ในห้องนั้นก็ก็ไม่เป็นได้ก็ควรที่จะอใช้เด็กวัดหรือใครก็ได้จะเป็นเพื่อชายนั่งอยู่ด้วยเป็นเพื่อนนะก็จะทําให้เพิ่มจากอาบัตในสี่ขาบทนี้ต่อไปสีขส่ขาบที่ห้าผู้ชายนั่งในที่แจ้งกับหญิงสองต่อสองต้องป่าจิตตี กิริยาที่ล่องในที่แจ้งที่แจ้งก็หมายเอาที่โล่งที่รับหูนะที่แจ้งก็หมายถึงที่ห่างไกลจากที่เอ่อเราจะได้ยินเมื่อมีการพูดอะไรขึ้นมานั้นหมายเอาที่รับหูก็เหมือนที่กล่าวไว้ในสิบข่าววันที่สองแห่งอาิยตนั่นเองที่รับหูนะเพรว่าันที่แจ้งคำยิ้มสองต่อสองนี้กล่าวจะตอะเออเจาะจงเลยชัดเจนว่าสองต่อสอง ฉะนั้นถ้านั่องอยู่ในที่แจ้งกับหญิงสองต่อสองเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าเป็นอ ბ ัตฝ่ายจะตติในสิกขาบทนี้ น, ะนจะยังไงก็ตามถ้าอยู่ในที่อย่างนั้นกับหญิงสองต่อสองแต่ถ้าอยู่กับหญิงหลายคนก็ไม่เป็นอ ბ ัตเพราะว่าไม่ใช่สิทับเป็นที่แจ้งถ้ามีหญิงหลายคนก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะ น, นิวงชัดว่าเป็นสองต่อ ต่อไปคืขอข้งเบอที่หกที่สำหรับรับในมณฑลเรื่องโภชนาทั้งห้แล้วจากไปที่อื่นจากที่ในมณฑลนั้นในเวลาก่อนฉันก็ดีกลับมาแล้วก็ดีคือฉันกลับมาแล้วก็ดีอลาพิสุที่อ่ามาลาพิเศษที่อยู่ในวัดก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปอันนี้ต้องต้องปาจิตตีนะต้องปลาจิตตี ความม่งหมายแห่งขีขาบทนี้ก็คือพิสูรรับมือโฉันไว้ห้ามไม่ให้เที่ยวไปในที่อื่นในเวลาก่อนฉันคือเมื่อจะไปฉันห้ามไม่ให้เชือนไปที่อื่นอีกที่อื่นก่อนเพื่อจะกันไม่ให้ต้องล่าตัวหรือตามตัวไม่พบอีกประการหนึ่งก็คือการห้ามไม่ให้เที่ยวไปในที่อื่นภายหลังแต่ฉันแล้วนั้นก็คือกลับ จากบ้านที่ในบนแล้วไม่ให้เสือเอาโอกาสที่รับในบนนั้นเลยไปเที่ยวที่อื่นต่อไปแต่เมื่อนีบจําเป็นจะต้องอทําในสองอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ลาพิสุไว้เป็นหลักฐานก่อนได้หรือว่าเมืม่อไปสือที่อาศัยของพิกสมีหรือไปสู่ที่เาษีเนี่ยท่านบอกว่าไม่เป็นอาบัติเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีพิสณีหรือราษีก็ เอในเมืองไทยก็คงจะไม่มีเหมือนกันจะในเรื่องนี้ทําให้เสียผลหลายอย่างการนนไปก่อนหรือไปอคือเอาโอกาสนั้นไปเที่ยวนั้นก็มันก็ทําให้เสียผลเหมือนกันนะนั้นก็การจะไปยังไงมายังไงก็ต้องบอกลาแต่ในข้อนี้ก็มีการยกเว้นเมื่อมีสมัยเหมือนกันนะเมื่อมีสมัยเหมือนกันเช่น เ อ, อได้รับอนุสงสารรษาหรือได้รับอนุสงฆ์ถินจังหวัที่วไปไม่ต้องบอกลาตามสิขาบทที่หกแห่งอเจนะครับว่าก็คือสิขาบทนี้ถ้าได้อานุสงแต่ถ้าไม่ได้อานุสง์อย่างนั้นกเ็เมื่อรับที่มนแล้วจะไปไหนก่อนนั้นไม่ได้ อ, อจะไปก่อนหรือจะไปหลังไม่ได้จะไปได้เมื่อมีเหตุจําเป็นก็ต้องบอกลาไวาให้เรียบร้อยจะไม่ต้องตามตัวให้เกิดความลําบาก เนี่ยต่อไปสี่ขาบที่เจ็ดถ้าเขาบวรณาด้วยปัจจัยสี่เที่ยงสี่เดือนจึงขอเขาได้เทียงกําหนดนั้นเท่า น, นั้นถ้าขอให้เกินกําหนดนั้นไปต้อง ป, ป่าเจิตติเรีย น, นไว้เป็นเขาบวรณาอีกหรือบวรณาเป็นนิอข้อความที่ควรกําหนดในสีกขาบทนี้ก็คือเรื่องปัจจัยปัจจัย ซึ่งเป็นเครื่องอาศัยของบัะชิตและก็ไม่ใช่เฉพาะแต่บัะชิตก็อาศัยปัจจัยสี่เหมือนกันปัจจัยสื่ก็มีอีกอนลินธะมาเสนาสนะและคีฬาระเพสัตคือยารักษาโลกเรียกกันว่าปัจจัยสี่ทีนี้ปัจจัยสี่นี้ถ้ามือคน เขาประวาติาไว้สีเดือนนะสีเดือนเราก็ต้องขอในกําหนดนั้นเท่านั้นการที่ขอมากกว่านั้นก็ไม่ได้เลยแหละนั่นก็เป็นเหตุไม่ต้องอธัรมได้นะคนประวัตินั้นเขาแสดงไว้ในกล่าวไว้ในคำพิริพังมีอยู่สี่อย่างเรื่องของการประวัติ์ว่าหนึ่งประวัติกำหนดปัจจัย สองบรณวารนากหนดการสามบริวารนากหนดทั้งสองอย่างสีร ja ิวาราไม่กำหนดทั้งสองอย่างบริวารนากำหนดปัจจัยหมายถึงนี้กำหนดปัจจัยคืออย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเขาบริวารนาไว้จากถวายจีวรก็ต้องขอจีวรอย่างเดียวถวายเขาบริวารนาไว้สําหรับอาหารก็ขอได้เฉพาะอาหารคือกำหนดสิ่งของกำหนดปัจจัย หรือว่าถ้าเขาประวัตมากำหนดการเวลาก็ต้องขอกำหนดตามกำหนดการเวลาเช่นใน่การเดียวนี้บอกว่าสี่เดือนก็ต้องขอได้สี่เดือนเท่านั้นนะกำหนดถ้ากำหนดปากจ่ายด้วยกำหนดการเวลาด้วยเช่นกำหนดอาหารก็ต้องขออาหารถ้ากำหนดเวลาสี่เดือนก็ต้องขอได้แค่สี่เดือนนะหรือกำหนดตั้งสองอย่างก็เช่นกำหนดทั้งปากจ่ายและกำหนดทั้งเวลาด้วยก็ขอได้ ตามกำหนดที่ประวัติาไว้หรือไม่กำหนดนะไม่กำหนดปัจจัยและก็ไม่กำหนดเวลาอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ประวัติาไว้ออไม่กำหนดปัจจัยจะขออะไรก็แล้วแต่ให้สมควรแก่สมณะก็ขอได้อย่างนี้แล้วก็เมื่อไรก็ขอได้อย่างนี้อันนี้ก็ประวรณาอีกชนิดหนึ่งถ้าสาวประวรณินเดือนก็ขอเจเดือนถ้าถาวประวัติา อ่าั้ำอีเมื่อครบสี่เดือนแล้วก็ขอต่อได้อีกคราวละสี่เดือนถ้าเขาภาวนาเป็นนิดนะก็ขอได้ตลอดไปเนีขอได้ตลอดไปนั้นการขอต้องต้องรู้เอว่าเขาภาวนาอย่างไรหรือไม่อันนี้หมายถึงเสี้ยีหรือไม่ใช่ญาตินะไม่ใช่ไม่ใช่ญาติแต่คนระวนยาเป็นญาตินั้นก็ก็ขอได้ตลอดไป นะไม่มีกันหมดหรอกเพเป็นญาติในคนไปวรานาเนี่เขากําหนดอย่างไรก็ต้องคอยอย่างนั้นในพระสุคราบทที่แปดพระสุคราชบทที่แปดว่าพิสุปไปดูกระบวนทัพซึ่งเขายกไปเพื่อจะรบ ก, กันต้องปฏิปีนไวแต่มีเหตุนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไปในที่เขารบ ก, กันนะพิสุปไปดูกระบวนทัพ ที่เขาจะยกไปรบราข้าวฝันกันเนี่ยไม่ได้แหละเป็นปาจิตีวนไว้แตมีเหตุเหตุนั้นก็คืออญาติาของพิจุเป็นไข้ก็ขอพบนะก็ไปได้หมายถึงว่าญาติเขาอยากจะพบพิจุไม่ใจะปาธนาเหตุอืน่นอันจะจิตที่ควรก็ไปได้เหมือนกันที่มีความจําเป็นเช่นเขานีานวนปวงบันยายหรือไปลายปากระตปะกปากปรตกขา อนี้ก็จําเป็นต้องไปได้ในที่นั้นไปอบรมอะไรก่ อ, อไปเนี่ยนี้กระบวนอารทับยกมาทางอารามคืเอเดินเส้นทางไปพบอะไรเห็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นอาบัตอะไรเนี่ยไม่เป็นอาบัติถ้าเขากว่าไปดูเขายกกระบวนการไปเฉยๆเนี่ยไม่ไม่ได้หรืเกิดเรื่องอันตรายเกิดขึ้นเช่นถูกจับไปเป็นชเชลยอย่างนี้ก็หไม่เป็นอาบาัตก็จําเป็นจะต้องเห็นอยู่นั่นแหลนะนะ แทนที่ยกเว้นก็คือเอถ้าหากว่าจําเป็นต้องไปได้ก็เช่นญาติเป็นไข้หรืออะไรอยากจะขอพบหรือว่าไปดไ้วยเหตุอื่นที่จําเป็นเช่นเขาดินมนปลไปบรรยายปาตกรถาหรือมีอันตรายเกิดขึ้นคือเขา จ, จับไปในเฉลยแล้วกลับไปเป็นเฉลยอยู่ในกองทัพไม่เป็นอะไรนะที่ปรับอบัตในสีข่ขับบุก็คือไปดูเขาสบายจะราบวันที่เก้าถ้าเหตุที่จะต้องไปในอยู่ เพิ่งไปหรื อ, อในกองทัพได้เพียงสามวันถ้ารลวให้เกินกำหนดนั้นไปต้องป่าจิตตีอันนี้จิตตินับวันนั้นเขาบอกว่าอกำหนดเวลาาทิศตกอตราบเป็นระบาดปายิบยในวันที่สี่ต่อเมื่อจะเมื่อภะวันตกแล้วถ้าเลวเพียงสามวันแล้วกลับเหสียภายหลังไปอยู่อีกเขาบอกว่าได้เหมือนกันอันนี้เหตุยกไว้ในจีการบทนี้ก็คือมีเหตุจําเป็นเช่นเกิดอยู่ในกองทัพ หรือกองทัพถูกฆ่าศึกปลีร้อมและมีเหตุ ข, ข, ขักหวางอย่างอื่นอีกอยู่เกินกว่ากำหนดนั้นได้เช่นว่าไป อ, อยู่ในกองทัพเนี่ยเกินบาดเจ็บเจ็บเจ็บป่วยไปไม่ได้ก็อยู่เกินสามวันไม่เป็นไงหรือถูกข่าศึกล้อมหมดแล้วไปไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าอทหารที่จะไปจับไวไไไ้ไม่ให้ไม่ให้มาไม่กลับอย่างนี้ก็ก็ไปไม่ได้ก็ต้องถูกยกเว้นคือไม่เป็นธรมบัตรในชีคาบุ น, นบี้ <c oughs> ต่อไปคือข้อบวชที่สิบซึงเป็นข้อสินทาว่าในเวลาที่อยู่ในกองทัพตามกำหนดนั้นถ้าไปดูเขารับการก็ดีหรือไปดูเขาเกิดผลก็ดีดูเขาจัด ก, กระบวนทัพก็ดีดูเมือนเสมาที่จัดเป็นกระบวนทัพแล้วก็ดีทั้งป่าจิตรีก็การไปดูนี่ก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยความมุ่งหมายในสข้อบทชนี้ก็ในความก็เหมือนกันกันกบที่กล่าวในข้อบวชก่อนนั่นเองเอคือในระหว่างอยู่อ แายกองทัพก็อย่าไปดูกระเบืองอะไรต่างๆเขาเพ่อมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เป็นเรื่องของพระฉะนั้นก็ในสิขาบทนี้ก็คงไม่มีโอกาสที่เราจะได้ละเมิดแต่ว่าเราก็ต้องเรียนไว้สระดับความรู้รู้เอาไว้ใช่บาแบ่งหามตามที่เคยได้กล่าวแล้วทีนี้เราก็มาขึ้นวักต่อไปอีกนะวัดใหม่วักที่เราจะเรียนต่อไปนี้ก็คือสุราปันนายวัก มิลาบาณวะที่หกนี้ก็มีทั้งหมดสิบสิขาบทนะมีสิบสิขาบทด้วยกันอสิบ ข, ข้อด้วยกันที่เราจะต้องเอเรียนแล้วก็เป็นบทที่จะต้องท่องจําให้แน่นยําด้วยนะเพราะว่าเป็นหลักที่สําคัญเราจะเว้นไม่ได้ถือเราไม่ท่องนล้นเร า, าจําไม่ได้นะก็จะต้องจําให้แน่นจําให้ได้อโดยเฉพาะภายในเนี่ยเมื่ออ้างสิขาบทมาแล้วเรา จำข้อจำสี่ขาบทไม่ได้เราก็อ้างไม่ถูกฉะนั้นก็จะต้องเอท่องให้มันนันท่องให้จำให้ได้ฉะนั้นก็เรามาท่องทั้งสิบสี่ขาบทกันก่อนแล้วเราก็เอจึงได้เรียนในรายละเอียดต่อไปคือสุราปฏิวัตสิบสีขาบทนั้น <c oughs> ก็คือเรื่องที่สื่อหนึ่งมาต้องปาจิตตีสองที่สุดที่สุดต้องปาจิตตี านางที่เสวยน้ําเล่นต้องปลาจิตตีเสยที่เสวยแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในที่ในต้องปลาจิตตีห้าที่สวยร้อนที่สวยให้เกรือผีต้องปลาจิตตีหกที่เสวยเอ่อไม่เป็นไข้ติดไฟให้เป็นเราเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นติดก็ดีเพื่อจะผิงต้องปลาจิตตีติดเพื่อเหตุอืน่นไม่เป็นอับัตเจ็ที่สวอยู่ในราชิรอบประเทศ คือจังหวัดลางแห่งประเทศอินเดีย15วันจึงอาบน้ำได้ ห, น, หนึ่งถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ำต้องฟาจิตีเล่นไว้แต่มีเหตุจำเป็นในายปรับจันต่ประเทศเช่นประเทศเราอาบน้ำได้เป็นนิดไม่เป็นอาบัดแต่ที่สุได้จีวรมาใหม่ต้องซีนทุ ด, ด้วยสีสามอย่างคือเขียวคลามโครนดำคร้ำยังได้ยังหนึ่งก่อนจึงเลื่องหมได้ ถ้าไม่ทำพินทุก่อนแล้วเรื่องห่มต้องปาจิตติเ ก, ก้าพิสุวิกบจีวรแก่ภิสุหรือสา ม, มัเ น, นแล้วผู้รับยังไม่ได้ถอนเรื่องห่มจีวร น, นั้นต้องปาจิตติและสิทธิ์เฟซ่อนบริขารคือบาทจีวรผ้าเฟืงนั่งตองเข็มและโคตเอว กนไที่เลื่อ ง, งของที่สื่อื่นด้วยคิดว่าจะล้อเล่นอ่ต้องป่าจิตตีในต้องป่าจิตตีอันนี้ก็เป็นข้อศึกษาบทในสุราปนวัตที่ให้ออภิญญาธรรมนิที่กําลังศึกษานักธรรมชั้นนี้ได้ท่องให้แั่นย้ำจําให้ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวในสุราปนวัตทั้งสิกษาบทนี้ ทีนี้เราก็มาเรียนแต่และสิขาบทแต่และสิขาบทเช่นตั้งแต่สิขาบทที่หนึ่งเป็นต้นไปสิขาบทที่หนึ่งที่ว่าที่ฝืนน้ำมาตั้งป่าจิตตีเมื่อ น, น้ำเมาได้แกนนะ่น้ำยังไงนะน้ำเมาน้ำเมาลี่มีสองชนิดที่ท่านจะแยกออกมาก็คือน้ำในรายหนึ่งน้ำจุราหนึ่ง น้นมีอะไรนั้นได้แก่น้ำอันมีรสหวานทุกอย่างที่เป็นเองเช่นน้ำตามสดแต่เมื่องเวลาแล้วมันก็เกิดรสเมาขึ้นมากลายรสหวานกลายมาเป็นรสเมาได้หรือไม่ได้เป็นเองแต่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลนะที่ทำขึ้นมาแล้วเมื่อดื่มเข้าไปก็เกินว่าน้ำบองต่างๆเนี่ย ในดอ ง, ต, งต่างๆเช่นน้ําที่เขาดองใส่ไหอใส่ป้องใส่อะไรที่มีกระดิ่งกระยาในด้านที่จะให้เกิดความเมาทางภาษาอีสานเครื่องวันเหล้าโทรอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นเมรัยเหมือนกันมาเป็นสิ่งที่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วมันก็เกิดความเมาเหมือนกันเชิงเวลานั้นได้แก่เมรัยที่เขากลนจะกลับออกมาแล้วเพื่อให้มันมีรสเมาแรงขึ้น ซึ่งก็เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปที่เมืองไทยเราก็เรื่องสุราและคนไม่รู้จักสุราก็คนจะเฉยกันมากแล้วเพราะว่าเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเมืองไทยเรามีนักค อ, อทองแดงมากหรือนักเล่นสุรานี่มากเหลือเกินแม้จะมีผู้สอนมีอบรมธรรมะให้เลาะเว้นจากอาวัยยมุขต่างๆแม้จะ ก, การดื่มสุรามีไรก็ ให้ละแต่ก็ยังมีการดื่มกันมากมาจนเกิดปัญหาสังคมขึ้นมาวุ่นวายกันขึ้นมาพอสมควร เ, เนีทีนี้การเอาเดิมเม้าเมาเจา้าบาจะตีเนี่ยแท้จริงก็เป็นรน้ำบัดในมากนักสาหรับพระสงฆ์มาเป็นน้ำบาดใน ม, มากานักเท่าไหร่แต่ว่าในอัตถกาถาท้องบอกวา่าเป็นโลกาวัชชะคือโรคเข้าตีเตียงโรคตีเดือน ม, มากเพราะว่าดื่มเข้าไปแล้วมันเมาเมื่อเมาแล้วมันก็ ไม่รู้สติสัมปชัญญอะอถึงจะเป็นฟ้าะก็ไม่เว้นมันก็เมาทางนั้นแหละเม้มาแล้วมันก็อย่างว่าแล้วไม่รู้สติสัมปชัญญะไม่รู้จักการสํารวมการทั้งการเดินทั้งการพูดจะปราศัยอะไรมันก็แสดงออกมาในลักษณะที่ไม่น่เลื่อมใสอะไรโลกเห็นก็สีเตียนซึ่งฟ้าลานั้นอควรจะเว้นให้เด็ดขาดอไม่ควรที่จะ เสพเลยเรื่องสุราอย่างเมาอันนี้เป็นเด่นอันตรายแก่ตนเองและก็เป็นอันตรายแก่พระศ า, าสนาทําให้คนเสื่อมศรัทธาเอาเกิดความส่อถอยศรัทธาไปได้นั้นเราก็ต้องระมัดระวังแต่โดยมากก็ที่เคยมีอยู่บ้างเอก็พระที่บวชเข้ามาโดยเฉพาะรูปทีเป็นหลวงตาก็เคยติดเหล้ามาก่อนก็มากจะอดไม่คยได้อันนี้ เพื่อเห็นแก่พระศาสนาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็คงจะต้องงดเว้นให้เด็ดขาดถึงจะอบับอดย ม, มากนะแต่ว่าทางคณะสงฆ์เมื่ อ, เ, อ, อเห็นเข้าก็จะต้องให้หลาสิตขาไม่ควรที่จะให้อยู่ในสังคมของการเป็นฆาตพิสุเพราะทำให้หมู่คณะต้องพลอยได้รับความเสียหายไปด้วย ก็คือถูกเรียกวามตําหนิไปเบิกฉะนั้นก็ผู้ที่กินเหล้าหรือดื่มเหล้าดื่มสุญานี้ถึงจะไม่ขาดจากการเป็นพิสุตามพระยุนายก็ยินอยู่แต่เป็นโลกประ ช, ชักโลกเข้าติดเตี้ยนควรที่จะลาสิกขาไปท า, า, างาณะสงฆ์แม้แต่เจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเห็นเขาก็ต้องจัดให้ เ, เจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายพระได้ทําการละละสิกขาลาสิกขาไปไม่ให้อยู่ เพื่อจะได้เกิดความบริสุทธิ์ในทางพ ร, ระพุทธศาสนาของเราก็ลาสิกขาไปถ้าอดไม่ได้จริงๆริงนี่ลักษณะแห่งอบัตนินี้ในสิกขาบทนี้ก็เพ่งเอาอาบัตที่เป็นอจิตตะกะเมื่อเจอตนาก็ต้องอบัตเหมือนกันนะในสิกขาบทนี้เป็นอบัตเหมือนกันนะ ก็มีข้อเจตเพื่อนเลยว่าถ้าของอันไม่ใช่น้ำเมาแต่มีสีมีกลิ่นมีรสดื่มน้ำเมาเช่นยาดองยาบางอย่างนี่ไม่เป็นอบัติแล้วก็น้ำเมาที่จื่ในแกงหรือเนื้อหรือในของอื่นเพื่อจืดรสหรือการเสียไม่เกิดกลาเป็นเหตุเมาก็ชื่อว่าอโพหาริฉันได้ดื่มของเช่นนั้นนั้นไม่เป็นอบัตนะไม่เป็นเรื่องของจุรายาเมาคือเหล้าเราก็ต้องระมัดระวังอย่าไปดื่มเข้ามันก็จะอ่เกิด ประโยชน์ถ้าเราไม่ดืม่มถ้าเราไปดื่มเข้ามันก็เกิดโทษขึ้นมาสำหรับวันนี้เวลาก็พอเส้นคุกสวัสดีครับเพื่อนสาธมิกที่กำลังศึกษานการเำ้นตรีทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาเรียนพระวินัยต่อก็เราเรียนอยู่ในสุราพนวัตซึ่ง ได้กล่าวถึงในสิขาบทที่หนึ่งไปแล้วคือเรื่องของที่สุ่ดื่มน้ำเมาต้องปราจิตตีว่าน้ำเมานั้นเป็นอย่างไรบ้างน้ำเมาก็คือน้ำเมรายกับน้ำสุราเมื่อบริโภคหรือดื่มเข้าไปมันก็เป็นเหตุให้เกิดความมึนเมานั้นพระพุทธองค์จึงทรงเอบัญญัติสิขาบทห้ามไว้ไม่ให้ไปสุ่ดื่มน้ำเมา เพราะว่าเมื่อเมาแล้วมันก็ทาความชั่วได้หลายอย่างหลายประการก็ไม่สมรวมกิมริยามารยาทต่างๆตลอดจงอาจจะกระทำความชั่วย่างอื่นอีกได้หลายอย่างหลายประการและการดื่มเมาจึงเป็นการไม่ดีนะเป็นการไม่ดีทีนี้อาสิขาบทที่สองว่าีิสุจิพิสุต้องปราจิตี คำว่าจี้ในชนี้ก็คือเอามือจี้ไม่ใช่จี้เหมือนที่เขาเอามือจี้เอาปืนจี้เพื่อจะปลดซัพย์เอาทรัพย์ต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่คําว่าจี้ในชนี้ก็คือจี้กันเล่นนะให้ตกใจให้อะไรกันเนี่ยนะชื่ออะไรจี้นะั้นพ <คำ S 2> ิสูจน์จี้พิสุถ้าเป็นพิสุแล้วก็เป็นป่าจิตตีนะจี้พิสุเป็นป่าจิตตีถ้าว่าจี้อนุปสัมพันธ์ คือผู้ที่ไม่ใช่ภิกสุได้แก่สามเณรหรือครหัตทั่วๆไปนี่คือว่าเป็นทุกกฎมานะเป็นอบติทุกกฎน้ำการจี้การเล่นอะไรการเล่นนั้นก็เป็นการไม่ถูกเป็นการละเมิดพระบัญญัติข้อนี้เป็นอบติปาจิตติด้วยกระโดยมากก็พระที่ยังอยู่ในวนัยห น, นุ่มๆนี่ก็มักจะคนองอยู่เป็นของธรรมดา อยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันมาก็มักจะจี้มักจะหยอกอะไรกันเล่นก็เป็นเหตุให้เป็นบัดป่าจิตตีนะอันนี้ก็พึงทราบไว้ส่วนสี่้าบนที่สามต่อไปก็คือภิกษุว่ายน้ําเล่นต้องป่าจิตตีอว่ายน้ําเล่นนน้าก็เป็นที่รู้จะเป็นน้ําอะทะเลหรือจะเป็นน้ําแม่น้ําหรือจะเป็นน้ําสระน้ำหนองน้ําหมอะไรก็แล้วแต่ เออก็ถือว่าน้ำนั้นไหว้น้ำทั้งหลายเหล่านั้นเล่นก็เป็นอาบัตนะเป็นอาบัต์ทางนั้นถ้าเป็นการไว้ไหว้เล่นนะถือวัตถุที่จะให้ต้องอาบัตน้าแห่งสิขาบทนี้ก็คือหนึ่งน้ำลึกพอที่จะดำได้ลึกตัวหรือลึกพอที่จะไหว้ได้สะดวกเป็นวัตถุแห่งป่าจิตติก็หมายถึงเล่นนี่ก็ต้องดำั้องอะไรต้องอะไรแล้วแต่จะดำน้ำเล่นน้าอย่างไร ก็เป็นเหตุที่ต้องอาบัดได้ น, น, น้ำลิกพอสมควรหรือสองเล่นอย่างอื่นเช่นเอามือวักน้ำเล่นอย่างนี้ถ้าเอามือวักน้าเล่นก็ไม่พ้นเป็นอาบาัดเหมือนกั น, นเป็นอาบัดอะไรท่านบอกว่าเป็นอาบัด ท, ทุกกฎเป็นอาบั ท, ทุก ก, กถ้า เ, เป็นแต่เพียง ไหว้หรือเป็นจิตจิงบิดเล่นอะไรเล่นเนี่ยเป็นเป็นทุกข์กดดังนั้นเราก็ตระมัดระวังอย่าให้ต้องอาบัตเหล่านั้นหรือถ้าหากว่าประการต่อมาก็คือน้ําตื้นไม่ถึงกําหนดที่จะเป็นวัตถุแห่งปัจจิตีจนน้ําในภาชนะก็ดีอย่างนี้ก็เป็นทุกข์กฎเหมือนกันแตน้ํามันไม่ลึกเท่าไหร่ก็เป็นระบัตทุกข์กดเหมือนกันนะฉะนั้นการเล่นจึง ก็ไม่ไม่ดีทั้งนั้นถ้าเป็นการเล่นแต่ถ้าหากว่าอ่าไหว่ก็เหตุอื่นคาว่าไหว้ก็เหตุอื่นนั้นเช่นไหว้เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ตกน้ำหรือมีความจำเป็นในการที่จะไหว้ข้ามฟากอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ได้ไหว้เล่นนะจำเป็นต้องไหว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นก็นึกว่า เราไปเรือเรือล่มอย่างนี้ก็ไม่เป็นอบัตนะก็ไหยเพื่อเอาตัวรอดมีกิจที่จะต้องทำอย่างนั้นไม่เป็นอบัตแต่ถ้าเล่นอะไรก็เป็นอบัตแล้วแต่ความเล่นนั้นเล่นขนาดไหนอย่างไรถ้าเล่นน้ำลึกพอดำได้มุดได้เล่นได้แล้วก็เป็นปาจิตติถ้ากว่กเล่นก็เป็นทุกกฎหรือถ้าน้ำในภาชนะต่างๆเล่นน้ำเหล่านั้นก็เป็นทุกกฎอีก ก็ล้นแต่เป็นอรรมัตรเท่านั้นเลยก็ไม่เหมาะสมในการที่จะเล่นเลยพูดง่ายง่ายต่อไปสิการบทที่สี่ว่าพิสุแสดงคำน่าแสดงความไม่เอื้อเฟื้อในทีนในต้องปราจิตตีน่าแสดงความไม่เอืเ้อเฟื้อในอยู่ในต้องปาจิตตีความไม่เอื้อเฟ้อนี้ทัานจัดเป็นสองอย่างคือไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลผู้กล่าวสั่งสอนตักเตือนหนึ่ง ไม่เอืดอฟื้อในธรรมคือบัญญัติในธรรมอันไม่ใช่บัญญัติหนึ่งบุคคลผู้มิ่งเอาเอามิ่งกล่าวตักเตือนสั่งสอนนั้นอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อเราเนีเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อเราส่วนธรรมะที่กล่าวเอามาตักเตือนจะเป็นเพื่อพุทธบัญญัติหรือจะเป็นธรรมะอย่างอื่นก็ตามถ้าเกิดแสดงความไม่เอื้อฟื้อ นี่ท่านปรับน่นท่านปรับเป็นอบัติ์ป่าจิตตีแต่ตอนนี้ก็ข้อนี้ก็มักจะอาจจะเผลอยู่เสมอเพราะว่าหลายๆท่านเมื่อได้รับการตักเตือนด้วยสีขาที่ในหรือธรรมะอะไรก็มักจะไม่พอใจนั้นต้องเอมีความเอื้อเฟือ้อแสดงความเคารพผู้ที่เอนำธรรมะ หรือในามาตัดเตือนเรานั้นจะเป็นใครก็ตามก็ควรที่จะให้ความเคารพเพื่อเพื้อในบุคคลนั้นและเคารพในธรรมนั้นเคยเด้กล่าวหลายครั้งว่าธรรมนั้นเป็นของสูงสูงอย่างไรอันนี้ก็โดยอาศัยคำที่พระพุทธองค์ททรงตรัดไว้ในคราวที่ได้ตัดจะรู้แล้ว ได้พิจารณาหาบุคคลที่พระองค์ที่จะอบุคคลที่พระองค์จะเคารพพิจารณาทั้งในมนุษย์โลกในเทวโลกหรือในตัวมนุษยก็ไม่เห็นผู้ใดใครผู้หนึ่งที่พระองค์จะเคารพเพราะคุณธรรมนั้นไม่ดีมากยังมีกิเลสยังมีอาสวะยังมีตัณหาราคะอยู่แต่ได้ทรงเห็นธรรมะที่ทรงตรัสรู้นั้นเป็นของที่สูง พราะพระองค์ตัสรู้ก็ตัศรู้ธรรมะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเคารพธรรมะเคารพพระธรรมลุงในที่ได้ทรงตัสรู้มานั้นธรรมะจึงเป็นของสูงเป็นสิ่งที่สูงสุดพระพุทธองค์สั่งทรงคเคารพธรรมะนั้นเรื่องใครนําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสแสดงมาชี้แจงหรือแนะนําคร่าสอน เราก็ควรที่จะแสดงความเคารพเอื้อเฟื้อในบุคคลที่นําธรรมะมาแสดงมาชี้แจงอบรมสั่งสอนเราตลอดถึงเชื่อฟังหรือตั้งอยู่ในการฟังด้วยดีในข้อบัญญัติหรือธรรมะเหล่านั้นนั้นถ้าไม่เอือ้อเฟื้อทั้งในบุคคลที่มาตักเตือนหรือบุคคลที่มาแสดงและไม่เอื้อเฟื้อในพระบัญญัติ และธรรมะอันนั้นท่านก็ปรับเป็นออาบัตปาจิตตีนะเป็นอาบัตปาจิตตีนะไม่เอเือกเว้นในผู้นั้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอสำวงระมัดระวงังในการที่เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในการที่มีผู้ใดผู้หนึ่งมาสแสดงเนี่ยถ้าเป็นคาระวะนะ ถ้ไมเอื้อเฟื้อท่านก็ปราบอัปทุกกฎลงมานะตามลงมาหน่อยคารวาที่มาแสดงก็ต้องเอื้เฟื้อนนเอื้อเฟื้อหรือก็หมายถึงไม่ถึงก็แสดงความเคารพไหว้เขาถึงขนาดนั้นถ้าเป็นคาว่าแต่ก็แสดงความเอื้เฟือในธรรมะในพระบัญญัติเหล่านั้นอืแล้วก็อในขณะที่กําลังตักตืนหรือสอนเขาอยู่ในอยู่หรือสอนธรรมะอยู่แต่ละุกไปเฉยเฉยโดยไม่บอกไม่ลานั่นก็เรียกว่าแสดงความเอื้อเฟือ แต่ลุกไปเฉยๆจะลุกไปไหนก็ลูกไปเฉยๆนี่ไม่เคารพในธรรมะแล้วก็เป็นนบัตนะดัะนั้นจะลุกจะไปไหนจะไปอะไรถ้าเราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยจะลุกหรือจะไปห้องน้ําไปบรรเทาทุกข์ก็จะต้องลาอาจารย์ที่กําลังสอนอ่าแสดงความเอื้อเฟื้อในอาจารย์ในผู้สอนและก็ในบทบัญญัติในธรรมะเหล่านั้นแล้วเราก็จึงลุกไปอย่างนี้ได้ไม่เป็นอะไรถ้าลุกไปเฉยๆนั่นคือการไม่จะเฟื้อ ในสุขาบทที่สี่เได้สุขาบทที่ห้าอ่านวิสหลอนที่สุขให้กลัวผีต้องป่าจิตตีอ่านล้อนที่สุขให้กลัวผีกิริยาหล้อนก็คือพูดก็ดีแสดงอาการอย่างอื่นก็ดีให้ตกใจกลัวตกใจกลัวผีนะหรือพูดขู่ให้ตกใจกลัวผีกลัวโจรหรือกลัวสัตวร้ายหรือ หลอกให้ตกใจในอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของผีสางนางไม้หรือยักษ์อะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นประมานเป็นปาจิตติทั้งนั้นการหลอนหลอนกลัวผีแต่เรื่องนี้เรื่องผีนี่ก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมานานเราก็ได้ยินใน้ฟังกันมานานก็บางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อว่าผีมีจริงบางคนก็บอกว่าไม่มีไม่จริงอันนี้จะมีจริงหรือไม่จริงนั้น ถ้าเราได้เชื่อในตถาคตโพลที่ศรัทธาคือเชื่อในความตรัสรู้อของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าในธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นมีเรื่องผีอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ให้เคารพนับถือผีแต่ได้พูดถึงเรื่องผีอยู่เช่นในในอันตรายสิบอย่างที่กล่าวไว้ในเรื่องของการทําบุญบุญ ได้กล่าวไว้ในข้อหนึ่งในสิบข้อนั้นว่าเมื่อผีเข้าพิษุให้สวรปาฏิโมกย์ย่อดได้อันนี้ก็แสดงว่ า, าผีก็มีอยู่นะผีก็มีอยู่ก็ผีเข้าพิษุแล้วก็ในสิขาแบบนี้ก็บอกว่ากลัวผีอันนี้อันนี้ก็เป็นการพูดอีกอย่างหนึง่งนะกลัวผนะีหลอนทิุู่ธให้กลัวผีต้องตายเฉลี่ย นั้นผีนั้นก็คงมีอยู่เช่นในในอบายศัตร์นั้นท่านพูดถึงพวกนรกพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัเดรัฉานนั้นที่ว่าผีนั้นก็จําพวกอสุรกายหรือพวกเปรตนี้ก็เป็นผีชนิดหนึ่งเหมือนกันอที่อมีอยู่เอาฉะนั้นเรื่องผีนั้นก็เป็นเรื่องที่มีได้คนที่เคยไปประสบพบเห็นด้วยตนเองอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัย แต่สำหรับคนที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นบางคนก็กลัวเัมือนกันกลัวผีเหมือนกันทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าม่เป็นอย่างไรไม่เคยเห็นว่าไม่เป็นอย่างไรก็กลัวไปแต่บางคนที่ไม่ยอมที่จะเชื่อเลยก็มีน้บอกว่าผีไม่มีแต่เมื่อให้ไปอยู่ให้ไปนอนให้ไปในที่ที่น่ากลัวก็กลับมุกไปเกิดทุกกลัวก็บอกว่าผีไม่มีแต่ก็กลัวผีกันนี้ก็เป็นที่ประหลาดเหมือนกัน อถึงอย่นง้รก็ตามไม่กล่าวไว้ในในพระไตรปิฎกหลายหลายหลา ย, หลายที่เหมือนกันนชื่อพูดถึงเรื่องผีก็แสดงว่าผีนั้นต้องมีอยู่แต่ก็ไม่ได้อนุญาตหรือให้ไปนับถืออะไรนักโวกนี้โวกผีปีศาจอะไรต่างๆไม่ให้ไปนับถือแต่ว่าเป็นการแสดงว่าซึ่งเหล่านี้มีอยู่เหมือนกันแล้วที่สื่อหลอนหรือหลอก ให้กลัวผีนี่เป็นป่าจิตตีนะถ้าหากว่าไปหลอกด้วยการแสดงลักษณะภาพทางอย่างใดก็แล้วแต่แต่แล้วแต่แต่เรื่องก็เป็นการหลอกก็แล้วกันเป็นปาจิตตีได้ในลักษณะแห่งอาบัติในสิขาบทนี้ก็คือว่าถ้าว่าหลอนอุปสัมบันิเคยพิสูจน์ด้วยกันเนี่ยต้องป่าจิตตีถ้าหลอนอารมณ์สมบันิเช่นหลอนสา ม, มนเณรหรือฆาตฮัตทั่วไปให้กลัวผีต้องทุกขก่ ไม่เรื่องให้ตกใจไม่เป็นอบัตอะไรเช่นเราเล่านิทานเรื่องผีหรือว่าเล่าเล่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเปรีบเก็บผีให้ฟังจะเป็นเรื่องนิทานหรือจะเป็นเรื่องบอกเล่าเล่าต่อกันมาให้ฟังไม่เรื่องให้เกิดความตกใจอะไรอันนี้ไม่เป็นอบัตนะไม่เป็นอบัตอะไรที่เป็นอ ბ ัตก็หลอน ให้กลัผีซึ่งเป็นเรื่องของการพูด cher, เพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นการทําให้ผู้อื่นตั้งใจเสียตกใจต่อไปก็สิขาบทที่หกว่าอชิกสุไม่เป็นใข้ติดไฟให้เป็นแปลเองก็มีใช้ให้ผู้อื่นติดก็ดีเพื่อจะพิงอต้องปราจิตตีเว้นเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอามาต์ อันนี้ก็เรื่องของการถิงไฟนะความร่้หมายของสี่ขาบทนี้ก็คือการห้ามถิงไฟเพื่อจะ ก, กันไฟไม่ให้ไหมกุฏิที่ทําด้วยไม้และก็มงด้วยหญ้าการถิงไฟในที่ทําไว้สําหรับถิงซึ่งโดยด้วยกันมาเรือนไฟห่างจากอันตรายเช่นนั้นอันนี้ก็ทรงอนุญาตไม่เป็นอบัติโดยที่อาธารมราชรณการถิงไฟแล้วอยู่ไม่ผาสุ หรือติดเพื่อกิจอย่างอื่นที่จำเป็นนั้นท่านก็ยกเว้นให้เหมือนกันนันข้อนี้กเ็เป็นข้อที่สำคัญอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันที่ีิสูจนอยู่ในที่ที่มีภูมิประเทศค่อนข้างจะหนาวเช่นในภาคเหนือภาคอีสานของประเทศไทยเรานั้นค่อนข้างจะมีอากาศหนาวมากในฤดูหนาวและก็ พระสงฆ์ที่อยู่ในชนบทนั้นก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีผ้าห่มเท่าไหร่เมื่อหนาวมาก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรก็ต้องพึ่งไฟผิงไฟกันแต่เช้าหรือเพื่อกันหนาวต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอาภาษต์กันเลยกันะถ้าเกิดอาภาษขึ้นอหนาวจัดหนาวเกินไปเราก็ผิงได้เนี่ย มาพิงได้ก็ไม่ถึงก็เป็นอาบัติแต่ถ้าหาไม่เดืหนาวไม่ในอะไรอ่าพอที่จะอดทนได้ไปจุดไฟเองเพื่อจะพิงหรือใช้ผู้อื่นปิดก็เพื่อจะพิงอย่างนี้ะเป็นปาจิตีแต่ถ้าหากว่าเผาญ้าเผาขยะอะไรต่างๆนั้นไม่ชื่อว่าเพื่อจะพิงไม่เป็นอาบัตแล้วก็อติดไฟโดยที่ไม่ให้ลุกเป็นเปลวก็ไม่น่าจะเป็นอาบัติตัวนี้ชื่อว่าเป็นเปลว ถ้าไม่เป็นเปลยก็ไม่เป็นอาบอัดเหมือนกั น, นในสิขาบทที่หกนี้ต่อไปก็เป็นสิขาบทที่เจ็ดบอกพิอยู่ในมันชิมะประเทศคือจังหวัดกลางแห่งประเทศอินเดีย15วันจึงอาบน้ำได้หนึ่งถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ำต้องฝ่าจิตีเลืนไว้แต่มีเหตุจำเป็นในปัจจันตัต่างประเทศเช่นประเทศเราอาบน้าได้เป็นนิดไม่เป็นอาบัดอะไร อ, อความมุ่งหมายของสี่ขาบทนี้ก็ อ, อท่านบัญญัติเป็นประเทศบัญญัติคือทรงตั้งไว้เฉพาะในที่มัธยมประเทศจังหวัดกลางแห่งชมพูทวีปทรงบัญญัติเฉพาะประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอัตครคับในเรื่องน้ําเฉพาะการที่น้ํากันดานออคือประเทศอยู่ในที่สูงในคราวระดูแรง เช่นในประเทศอินเดียซึ่งต้นบัญญัติก็เกิดขึ้นที่กรุงราชสิครึ๊ที่ตะโบธานซึ่งเป็นสถานที่อาบน้ำร้อนโดยที่เป็นเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติอยู่ในนคตจนบทก็มีกรุงราชครึ๊เป็นคนครหลวงก็มักจะเสด็จไปส่งน้ำอาบน้ำที่ตะโบทา น, นั้นและก็พิสุทั้งหลาย ก็ต้องมาส่งน้ำกันที่นั้นเหมือนกันตันน้ำร้อนเป็นน้ำที่ออกมาจากเขาเป็นน้ำน้าแร่แล้วก็รู้สึกเป็นน้ำร้อนอุ่นๆอาบแล้วก็รู้สึกดีทีนี้ก็มีปัญหาขึ้นมาที่เป็นเหตุให้บรรดาิญญนั้นก็พิสูจน์ไปอาบกันมากไปส่งกันมากจนพระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปก็ไปเห็นภิสูจนทั้งหลายกาลังอาบน้ำอยู่พระองค์ก็เกงรงสะไยต่อพิสูน์ทั้งหลาย ก็จึงรอจนกว่าพิสูจจะส่งน้ำเสร็จแล้วพระองค์ก็จึงได้ไปส่งน้ำทรงสนานทีนี้เ่เมื่อเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็เสด็จมาก็ปรากฏว่าประตูพระนครราช ก, กิจก็อ่ปิดหมดเพเป็นทำเนียมของของ เ, อเมืองนั้นเมื่อถึงเวลาก็จะต้องปิดใครมาอ้ะไม่มาก็ต้องปิด เ, เมื่อปิดแล้วก็จึงเป็นเหตุให พระพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ว่าสิบ้าวันให้อาบน้ําได้ครั้งหนึ่งในมันชฌิมาชนบทถ้ทาไมาย่ยังไม่ถึงสิบห้าวันแล้วก็ออาบน้ําไม่ได้เป็นป่าจิตตียังไม่ถึงสิบห้าวันอาบน้ําเป็นปาจิตตีก็เกี่ยวกับพระเจ้าฟิลิสารน่เรื่องราวความเป็นมาของการบัญญัติสิกขาบทนี้แต่ปัจจุบันนี้น้ําก็มีมากมายเอก็ในประเทศอินเดียก็น้ําก็มีมากมาย แปลว่าเมื่องบญญางอย่าขึ้นแล้วเราก็ต้องรักษาเราก็จะต้องปฏิบัติตามสมควรจนในประเทศไทยของเรานั้นอาบน้ําได้เป็นนิสเพราะไม่ใช่ในมัธยมชนบทไม่ใช่ใมัธยมประเทศถึงจะเป็นประเทศเจริญแต่ว่ามันก็ห่างจากที่อ่าที่กล่าวในครั้งกุศลการนั้นคือมัธยมชนบทหรือมัธยมัธยมประเทศนั้นก็อาบน้ำได้ตลอดแม้แต่ในมัธิมชนบทหรือในในมัธยมประเทศนั้นถ้ามีความจําเป็นในการที่จะอาบเช่นอ ถึงคราวร้อนจัดหรือได้รับความสกปรกมากมายก็จำเป็นจะต้องอาบอย่างนี้ก็อาบได้นะไม่เป็นอับัตนี่สหรับข้อที่ว่าในประเทศอินเดีย15วันอาบน้ำได้ครั้งหนึ่งเฉพาะในส่วนกลางยังไม่ถึง15วันนะก็อาบเป็นฝากเตีแต่ไม่เหตุจำเป็นนั้นก็อนุญาตนะไม่ถึงก็ห้ามอดดิดขาดต่อไปศึกขาบทที่แปด บอกว่าทก่ตนได้ยีวนมาใหม่ต้องพิมทุด้วยสีสามอย่างคือเขียวครามโคลนดำคล้ำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงเลื่องห่มได้เ อ, อถ้าไม่ทําพิมทุก่อนและเลื่องห่มต้องป่าจิตตีความหมายของสกขาบทนี้ก็คือทรงบัญญัติให้ทํเครื่องหมายเพื่อจะให้จําได้ว่าของตนอย่างไรนะแต่ในสีขาบทเองก็เพ่งความทาให้เสียสีอยู่ ยาเพื่อทำลายให้เสียสีบอกไว้ชัดเจนเลยนั้นก็พูดแล้วก็อันมณตามลูกขะปฏิบัติคือให้ใชเเ้เครื่องปนเครื่องกระสีปนๆสีเศร้าหมองอใช้ของเศร้าหมองนั้นก็ให้ใช้สีสามสีเนี่ยมาทำกับปะคือทำการพิมพทุกด้วยสีสามอย่างานี่ถ้าว่าดู โดยพิจารณาดูแล้วเนี่ยถ้าเพื่อทําลายเสียสีก็จุดแค่สามจุดนี่หรือมันจะเสียสีได้อย่างไรนะน่าจะเป็นการให้จําจีวรของตนเองได้ว่าจีวร น, นั้นตนจุดไว้อย่างไรอันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลดีแต่ก็ท่านบอกวา่าเพื่อทําลายให้เสียสีก็อเอาทําให้เสียสีก็ทําให้เสียสีเพียงให้มีจุดนิดหน่อยก็เสียสีอย่เหมือนกันน่ะไม่ก้าววาวอะไร เรื่องนี้ก็สมัยนียแ้แล้วก็เราก็พินพุตอธิษฐานอยู่เหมือนกันก็ไม่ไม่ถึงกับปล่อยปละละเลยอะไราการพริมพุหรือการทําจุดเป็นวงกลมนั้นก็ท่านบอกว่าให้ทําใหญ่เท่ากับเวตาดกยืนหรือเล็กเท่ากับหลังปูเรืองนี่เรียกว่าทํากับปะหรือเราพูดกันรู้เรื่องว่าทําการพริมทุผ้านะเช่นได้ผ้ามาก็ ทำการเป็นทุก่อนเพราะว่าไม่เป็นทุนิไม่ได้เป็นปาจิตติบันหยัดไปแล้วฉะนั้นการเป็นทุจะเป็นผ้าอะไรก็เหมือนกันไม่มีออกชื่อผ้าอก็อิมังเป็นทุกกับปังคารมิทุกติยมปิตาติยมปิตอิมังเป็นทุกกับปังคารมิเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นทุแล้วอ่าทํากับปากเป็นทุแล้วก็ชื่อว่าเราได้ทําถูกต้องตามพระบุญอัแล้วไม่เป็นอาบัตบนะ อันนั้นจีวรมาใหม่ก็ต้องทําเครื่องหมายก่อนทุกครั้งจะลุ่งห่มจึงจะลุ่งห่มได้อเมื่อเราทํำพินทุ ก, กับปะหรือทําวงกลมอไว้แล้วแต่มันหายไปก็ไม่ต้องทําใหม่ไม่ต้องพิมทุกใหม่เราทําไวแล้วในผ้านั้นในสิกขาบทที่แปดได้ผ้ามาใหม่ต้องทําการพิมพุกก่อนนะด้วยสีสามอย่างคือโ ค, คลนดําครัมเขียวครามโคลนดำครํา ต่ ก, ก่อนจึงจะนุ่งผมได้ไม่อย่างนั้นก็เป็นป่าจิตต์ต่อไปสิกขาบทที่เก้าิกสูกับจีวรแก่ฟิกสูก็ดีสามอาฤิกสีก็ดีสิกขามานาก็ดีสัมณเณรก็ดีสัมมณรีก็ ด, กดีผู้รับยังไม่ได้ถอนนุ่งผมจีวร น, นั้นต้องป่าจิตตินี่นลักษณะวิกับในสิกขาบทนี้นะ คำว่าวิกลับนั้นก็คือทำให้เป็นของสองเจ้าของระหว่างของสองเจ้าของนาไม่ใช่ขององค์นั้นและไม่ใช่ขององค์นี้อยู่ในระหว่างสองเจ้าของวิธีวิกับนั้นท่านแสดงไว้สองอย่างคือวิกลับต่อหน้าอย่างหนึ่งวิกับรับหลังอย่างหนึ่งนะทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ได้วิกลับ ต่อหน้าก็คือต่อหน้าฟิกสุหรือฟิกสุรีหรือสัมเอสิกามนาสัมเนสัมเรียก็ได้ต่อหน้าผู้นั้นว่าอผมวิกลับผ้าทีวรผืนนี้ไว้กับท่านนะแต่ต่อสายชายบาลีนะอิมังกิรังวิกลับปังออ่่าตัวหางวิกลับปังหรืออะไรเราเราดูในในคํำวิกลับนั้นนะ จะเป็นวิมบาบาทก็ได้แล้วจะเป็นกีบรก็ได้ก็มีวิการวิกลับไปถ้าทามันเป็นผ้าอธิเรกมันก็ได้แค่สิบวันจะนั้นต้องีิกลับไปเพื่อจะไม่ให้ต้องอาบัตอะไรอนี่เพื่อที่เราจะวิกลับได้คือี่กลับได้ก็มีก็ เ, เรียกว่าเอเพื่อนสหธรรมริกทั้งห้าเป็นพิสุพิสุเออสุนีสิกขามนาสเมสเมรีเนี่ย วิกลับได้ในท่านเหล่านี้ได้ะแต่วิกลับกับผู้อื่นซึ่งไม่ใช่พหาธรรมิกทั้งห้านั้นก็น่าจะไม่ได้เพราะไม่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ดังนั้นการได้กลับจะต่อหน้ากันได้หรือวิกลับรับหลังจนเราออกอ่ได้กลับต่อองค์นี้แต่เราไปกลับไว้กับอีกองค์หนึ่งก็ได้ทําได้เหมือนกันแต่ว่าอเรื่องหิกลับนี้เมื่อไปกลับแล้วก็จะต้องเอถอนก่อนจึงจะใช้ได้ถ้าไม่ถอน ใช้ใช้สอยเป็นปาจิตีแมไม่ถอนใช้สอยต้องปาจิตีเอ่อ้ามาิึงเรื่องที่กลับเนี่ยก็มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่หลายๆสำนักจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเช่นบางสำนักก็บอกว่าจีวรที่ถอนทีกลับแล้วกลับเป็นอัติเดชโดไปใหม่มีอายอุถึงสิบวันก็ต้องที่กลับต่อไปอีกี่หรืออ่าบางแห่งก็มีความเห็นว่า มีอวอนที่ถอดมีกับแล้วคงเป็นวิกอันนี้กับอีวอนยู่อย่างนั้นเองถือมีกับผลเดียวแล้วก็เป็นแบบนี้ไปไม่ต้องไปกับซ้ําอันนี้ก็เป็นความเห็นแต่ละสำนักแตล่ละอารามซึ่งเอาอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างอาถึงอย่างไรก็ตามในพระกินนายก็ไม่ได้บอกไว้ว่าอย่างไรก็อันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจเป็นคนละอย่างอา่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเรา อ, อได้ดีกับแล้วถอนให้กลับมาใช้ถอนดีกับแล้วก็มาใช้มาใช้แล้วก็อธิษฐานเป็นผ้าอะไรขึ้นมาเป็นผ้าจะเป็นผ้าไตรได้เลยก็แล้วแต่มันก็เป็นผ้าอย่างอื่นไปแล้วแต่ถ้าถอนดีกับมาไว้เฉยๆมันก็น่าจะมีอายุสิบวันดังที่ท่านกล่าวในในข้อที่หนึ่งนั่นเองนีอันนี้ก็ฝืนทราบดันั้นการดีกับนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงอนุญาตไว้เมื่อผ้าเกิดขึ้นแก่จิตวิสูดมีจํานวนมากมากประตรัยจีวรที่เรา ครองเราใช้อยู่ก็ให้วิกลับเอาไว้เป็นของระหว่างสงเจ้าของเพื่อจะไม่ให้ต้องอับบัดและเมื่อจะใช้ก็ต้องถอนให้ผู้ที่เราวิกลับด้วย น, นั้นถอนมาก่อนถอนแล้วจึงจะเอามาใช้ได้อธิษฐานใช้ได้นะถ้าเราเก็บไว้เฉยเฉไม่วิกลับ ก, ual, ก็เป็นอันตรกิวรัดก็เป็นอับบัดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้ออันหนึ่งที่เราจะต้องอเรียนหรือทาความเข้าใจส่วนคำวิกลับนั้นก็ให้ไปดู อในยุไนมุกเวมหนึ่งซึ่งเป็นหลักสูตของหลัธรรมชั้นตรีซึ่งกล่าวไว้ชัดเจนว่าอย่างไรส่วข้อต่อไปสิขาบทต่อไปก็คือเรื่องอสิขาบทที่สิบสิขาบทที่สิบว่าฟิกษุซ่อนบริขารคือบาตีวอนผ้าปูนั่งกล่องเข็มสะโคตเอวอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของฟิกษุอื่นด้วยคิดว่าจะล้อเล่นต้องป่าจิตติอนี้ก็ซ่อนบริขารบริขารของฟิกษุอืน่น อที่สําคัญสําคัญนะเป็นเป็นปาจิตตีซ่อนก็นล้อเล่นนะไม่ใช่ซ่อนเอาจริงจริงนะจะเป็นบาทจีวรอนอประคตเอวหรือมือนะจึงเป็นบริหารแปดพูดง่ายบริขารแปดนะจงบาทดจีวอนพวกภาพปื น, นั่งพวกสองเข็มประคดเอวเล้วนีย้ยังได้ยังหนึ่งเพื่อจะล้อเล่นเป็นปาจิตตีนะถ้าหากว่ า, าซ่อนบริขารของครหั หรือของอนุปัฏฐานเช่นสมณเณรหรือการทหารทั่วไปเป็นทุกกฎนะแต่ว่าไม่ได้หมายจะลองเล่นเห็นวางไว้ไม่มีก็ช่วยกันเก็บไว้อันนี้ไม่เป็นอาบัตอะไรการซ่อนบริขารออย่างอืน่นหรือบริขารแปรเหมือนกันแต่เป็นของสมณเณรอันนี้เป็นทุกกฎนะถ้าซ่อนของภิกษุแล้วเป็นปาจิตตีนะพูดง่ายๆจําง่ายๆว่าภิกษุซ่อนบริขารแปอของภิกษุ จะเป็นบาทจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มประคดเอเป็นปาเจตีซ่อนบริขันแปดของสำเนินซึ่งเป็นอนุปัสัมบันนั้นหรือของอื่นเป็นทุกกฎนะเป็นทุกกฎนะเป็นบาบัตเหมือนกันแต่เป็นอบัต ท, ทุกกฎฉะนั้นวันนี้กเ็เราได้เรียนพระวินัยใ น, ในสุราปตะวะ เ, เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ก็จบในวักนี้พอดีวันนี้ดังนั้นก็เวลาของเราก็หมดลงพอดีก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแดดเพื่อนอสาธมิตทุกๆรูปที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเดีนมาก็ขอให้มีความสุขความสวัสดีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้สําเร็จดังกว่ามุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการเถิดขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิตทุกๆรูป